มังกรหยกภาคสามตอนจบสิ่งล้ำค่าที่สุดในใต้หลาทั้งมิใช่ชื่อเสียงและมิใช่ศัพท์สลิงขานแต่เป็นน้ำใจระหว่างคนต่อคนเสียงกระดาษทรายขัดผิวพื้นไม้ดังปละปลาย คลุกเคล้าฝุ่นละออง้อยเกลื่อนทั่วศาลาตีหญิงตึงเหล่าสิทธิชายหญิงต่างช่วยกันขมีขมันขัดแท่นไม้ที่จะใช้ประดิษฐานองค์พระมหาโพธิสัตว์เพื่อให้ผู้คนมาสักการะกราบไหว้บูชาทำงานไปสนทนากันไปอย่างเบิกบานใจ บุผาทิพย์ที่มาสายกว่าใข่เดินเข้ามาช่วยงานเพื่อนดูสีหน้าอิดโรยบวนบูจึงเอ่ยถามขึ้นเป็นอะไรไปหรือเย ห, หน้าตาไม่สบยเลยน้องเราบุบผาทิพย์ถอนใจก่อนตอบซื้อเฮีย เมื่อคืนข้าฝันลายข้าฝันไปว่าผู้คนต่างเดินเล่นกันสนุกสนานอยู่ตามชายทะเลพลันกมน็มีคลื่นใหญ่น้ำทะเลช่างดำมืดพัดถาโถมเข้าัดคว้าผู้คนไปผู้คนบางส่วนวิ่งหนีเข้ามาที่ศาลาตียิงตึงของพวกเราจนแน่นเต็มศาลา ก็มีเสียงกึกก้องของท่านซื้อแปดพบสิงตาอวนคู่ดังขึ้นมาว่าให้น้ำผ้าห่มมาซับน้ำตาประชาชนพวกเราสิทธิพี่สิทธิน้องต่างถือผ้าห่มผืนใหญ่ยืนค้างตะลึงผู้คนในศาลาร้องไห้โฮออกมาจนข้าตกใจตื่นข้าไม่สบายใจเลยซือเหี้ ช่วยไขยปริศนาความฝันนี้ได้ไหมมิทันใดผู้เท่าประหลาดกับพ่อบ้านตัวแปะชิวก็เดินแบกถุงหินลัตนชาติเข้ามาสมทบเพื่อให้เราสิบไปขัดล้างให้สะอาดข้าเข้ามาได้ทันได้ยินนิมิตฝันของเจ้าบุพภาทิพย์นี่และ คือสาเหตุที่ทำให้ข้าต้องออกมาช่วยงานที่สำนักไตรบุพภาและคือสาเหตุที่ทำาไมพวกเราต้องสร้างศาลาตียิงตึงนี้ขึ้นมาพวกเจ้าจำคำพูดของท่านมังกรที่วาได้หรือเปล่าเรื่องสามภัยแปดทุกข์ รายละเอียดเป็นเช่นไรพวกข้าน้อยไม่เข้าใจเลยท่านอาจารย์โปรดช่วยขานไขด้วยเหลียงเหลียงกวงเอ่ยถามต่อท่านผูหูเดินเข้ามากล่าวเสริมว่าอีกไม่นานจะเข้ายุคลาสฎรนจนชนล้องทุกทุกยุคทมิทินกาขาวลาสโดนทั้งประเทศจะค้าขายฟืดเครื่อง การเงินจะไร้คาผู้คนจะตกงานกันอย่างมากมายโดยเฉพาะผู้นำครอบครัวคือพวกข่อบ้านผู้ชายครอบครัวจะลำบากปัญหาหนี้สินล้นคนตัวตามมาซึ่งปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุมเมื่อผู้คนลำบากมากมายแก้ปัญหาไม่ตกต่างคิดคิดปลิดชีพตนเอง เฮข่านี้เศร้าใจนักผู้คนเดินมาสิบคนจะลำบากเดือดร้อนถึงเก้าคนเมื่อรัษดรประสบปัญหาอดอยากปากแห้งและตก่านบ้านเมืองก็แก้ไขไม่ได้มากผู้คนก็จะก่อกระแสมวลชนร้องทุกไปทั่วทุกหัวเมืองเรื่องราวมีมากมายเป็นเวลาสามถึงสี่ปี ว่าจะฟื้นตัวคืนสู่สภาวะปกติการค้ากิจการต่างๆจะถูกชาวต่างชาติเข้าครอบครองคือที่มาของถิ่นกาขาวนั่นเองข่านี้สะท้อนใจยิ่งนักว่าศาลาของเราเพียงพอหรือไม่ที่จะช่วยซับน้ำตาผู้คนได้หรือไม่โอ้พระพูดพลางพางหัวขึ้นลงอย่างช่งใจ อาจารย์ข้าจะคิดถามขออาจารย์อย่าได้โกหกข้าเลยทำไมท่านอาจารย์เป็นเพื่อนสนิทกับท่านมังกรท่วาเมื่อเจ้าสำนักโอหยาง้างขึ้นเขาไปทำไมท่านมังกรที่วาจึงไม่ให้ท่านเป็นเจ้าสำนักสื่อไปเพราะเราต่างก็เป็นศิษฐ์ท่านมาก่อน อ, องตัวถามข้อคับข้องใจเท่าประหลาด จึงตอบออกไปว่าดีดีถามได้ดีพวกเจ้ารู้ไหมหากคิดดีจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเป็นนายรองไม่ดึงดันจะออกหน้าปล่อยไปตามวาสนาสัมพันธ์ในการอุทิศบริการส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ ในการทำงานต้องขยันขันแข็งมีความเป็นตัวของตัวเองไม่สนใจว่าจะสามารถเป็นนายใหญ่ของผู้อื่นในวันนี้หรือวันข้างหน้าได้หรือไม่อย่างน้อยที่สุ ด, สดเธอก็เป็นเจ้านายของตนแล้วแหละเท่าประหลาดกล่าวขึ้นพูดพางยกหัวแม่มือใส่หน้าเหล่าลูกศิษย์ พวกเจ้าดูสินิ้วทั้งห้านิ้วนั้นนิ้วโปง้งทั้งอ้วนทั้งสั้นดังนั้นจึงใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมคิดจะกินข้าวเขียนหนังสือมีสิ่งได้บ้างที่ไม่ต้องใช้มันผู้เขาที่สูงใหญ่ไม่ปฏิเสธเดินเนินดินเล็กๆจึงสามารถสูงใหญ่ได้มหาสมุทร ไม่รังเกียจสายน้ำเล็กจึงสามารถใหญ่ได้ฝาดินไม่เห็นแก่ตัวจึงสามารถรองรับสบรรพสิ่งทั้งหลายได้ไร้ตันหาจึงแข็งแกร่ ง, งเอาชนะตนเองจึงเข้มแข็ ง, ขง อ, องโสวยกล่าวแทรกขึ้นว่าแต่สำนักไตรบุพา ท่านในจานเป็นผู้ร่วมบุกเบิกมากับท่านมังกรที่วาน่ะสิเท่าประหลาดตอบว่าวสำนักเป็นของข้าสำนักก็ไม่ใช่ของข้าจำไว้สิตรักดำรงอยู่บนโลกหากสามารถเตรียมพร้อมจิตใจอะไรก็เป็นของข้ากับจิตใจที่กว้างขวางอะไรก็ไม่ใช่ของข้า จะเบาสบายเหมือนอยู่บนกลีบเมฆเหมือนสายน้ำที่ไหลไปตามทางของมันและแท้ที่จริงสำนักก็เป็นของพวกเราทุกคนอุอนิสัยขา้าก็ไม่ชอบที่จะต้องคลุกคลีกับคนหมู่มากขอเพียงเป็นผู้ช่วยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอย่างสงบตามอัตภาพทำงานอย่างมีความสุข ทุกหญิงทุกสิ่งทุกอย่าง เ, เพียงรู้สึกว่าเป็นของเราจะมีพลังอย่างไม่สิ้นสุดกิ จ, จการงานของสำนักจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ เ, เพียงพวกเราคิดว่าสำนักไตบุภาเป็นของพวกเราพวกเราจะช่วยเจ้าสำนักผู้หูฟันฟาสามภัยแปดทุกผู้คนด้วยธรรม ต่อไปพวกเจ้าจะรู้ว่าปรมาจารย์เลือกคนไม่ผิดหรอกขอพวกเจ้าจงช่วยงานคนละไม้คนละมืออย่างเต็มกำลังความมุมานะของทุกคนจะประสบความสำเร็จดุดดังภูเขาที่หลกหลางเต็มไปด้วยตนย้นหญ้าทากทางออกมาจนกลายเป็นแดนวิสุธทธิที่งดงามเพียงรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราสำนักไตรบุผภาเป็นของพวกเราจงร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อพวงประชาสู้ธรรมต่อไปยิ่งเกียร์โขใหโตเจ็กแส่เมตตาพ้นโอคโปรตเวในตีเฮียงหุยแส่บ่อหนังอัว ปัญญาแจ้งจิตเดิมแท้สุญญตาสำเร็จสมบูรณบริภุนในธาตุในธรรม